เพราะวิปัสนาสมาธิเนี่ยจะต้องแยกเกะถ้าจะเป็นสมาธิคณิกะที่เป็นเช่นการเจริญเมตตาจะต้องไขครวนขนาดไหนใช่ไหมจะต้องไขครวนขนาดไหนเมตตาจึงจะเป็นอัปปนาได้เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยทั้งอุปจาระคณิกะอุปจาระและอัปปนาเช่นการเจริญเมตตาอย่างไรให้เป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจาระสมาธิและ อปปนาสมาธิคณิกาสมาธิอย่างไรจึงจะคู่ควรแก่อุปจาระสมาธิอุปจา right? ระสมาธิแค่ไหนจึงจะคู่ควรแก่อปปนาเนี่ยนะก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยอปปนาอย่างไรเอ่ออปปนาระดับปฐมฌานอปปนาระดับทุติยฌานอปปนาระดับตัตยฌานเป็นต้นก็เลยอปปนาก็มีระดับรูปฌานแล้อารูปฌานต่อไปอีกทั้นคณิกาสมาธิอย่างไรจึงจะคู่ควรต่ออุปจาระสมาธิที่เรียกว่าสมาธิเฉียดเฉียดต่อฌาน อุปจาระสมาธิเนี่ยแค่ไหนจึงจะคู่ควรแก่ปฐมฌานเขาจะมีลําดับนี้่าคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิแล้วปฐมฌานแล้วก็มานับหนึ่งใหม่คณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและจึงจะขึ้นทูติยะฌาน แล้วก็พอได้ทุติยชาณิชฌนานคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิที่เป็น ต, ตัตยชาก็ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นั้นจึงมีการเพิ่มอย่างนี้ตลอดเวลาจึงจะคู่ควรแก่การบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะจึงจะคู่ควรวนั้นไอคณิกะสมาธินั้นจึงถือว่าเป็นสําคัญเป็นสะพานเบื้องต้นเนี่ยนะสะพานเบื้องต้นเหมือนกันทั้นก็คณิกะสมาธิการพิจารณาถึงจะชั่วขณะ ช่วงขณะนี้คืออะไรช่วงหนึ่งชาวนะก็ถือว่าเนี่นะทํายังไงให้ชาวนะมันคณิกาสมาธิก็คือสมาธิประเภทเดียวแต่ว่ามันอยู่แค่ชาวานะเดียวทํายังไงให้ชาวนะประเภทเนี่ยมันเรียงกันได้เป็นนาทีอ่ะให้ให้ให้เรื่องเดียวเนี่ยให้ไขครัควรเรื่องนั้นให้มันเป็นนาทีอ่ะเป็นอาชาวนะสืบเนื่องกันเป็นประเภทเดียวกันถึงผวังขั้นบ้านผวังขั้นบ้างแต่ก็ยังเป็นไปกับเรื่องเดียวเป็นอะไรนะเป็นนาทีเป็นหลายๆนาที เป็นสิบนาทีเช่นสมมติว่าปกติเนี่ยยังกำหนดลมหายใจทั่วๆไปคณิกะก็ห้านาเอะอะไรนะหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่องอื่นหมดแล้วทํายังไงให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออ ก, ออ ก, ออกได้หนึ่งนาทีสองนาทีได้สิบนาทียี่สิบนาทีได้เป็นชั่วโมงนะคณิกะแต่ว่าเป็นคณิกะที่มาเรียงแล้วให้มันยาวขึ้นเขาบอกว่าเส้นตรงคืออะไรก็คือจุดหลายๆจุดที่มาเรียงกันนะเรียกว่าเส้นตรงไงนะเส้นตรงก็คือเอาจุดแ่ถ้าแยกๆลงมาแล้วก็คือจุดเล็กๆๆที่เอามาเรียงๆกันเรียกว่า เส้นตรงชันใดไอ้ือเหมือนถนนทั้งหลายถนนคืออะไรก็คือเม็ดหินเม็ดทรายมาเรียงกันยาวๆเรียกว่าถนนชวนะที่มันเป็นไปอย่างนี้ให้มันยาวและต่อเนื่องเรียกว่าสมาธิสมาธิาธที่ฝึกแรกๆมันก็เป็นคณิกามันก็ธรรมดาติดๆขาดๆเรื่องโน้นบั่งสลับเรื่องนี้มั่งวุ่นวายไปหมดแล้วตัดจากเรื่องอื่นให้มาเป็นเรื่องเดียวเช่นอนาปานสติก็เป็นอนาปานสติพัฒนาคุณภาพ จากไม่มีคุณภาพเลยให้มีคุณภาพเรียกว่าจากคณิกะให้เป็นอุปจาระแล้วก็เพิ่มคุณภาพจากอุปจาระให้เป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยนะแล้วเพิ่มคุณภาพโดยการตัดวิตกออกไปก็เป็นสมาธิที่ไม่มีวิตกแล้วก็ตัดทั้งวิตกตัดทั้งวิจารณออกไปก็เป็นสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเนี่ยนะเหมือนกันอย่างแรกๆก่อนนะเมตตาเจริญเมตตาค่อยมีความสุขก็คิดอยู่หน่อยนึง ทำยังไงขอให้คิดใ ห, คให้คนอื่นมีความสุขได้ยาวขึ้นเดีย๋ยนะให้ทีแรกก็คิดได้แค่ครึ่งวินาทีให้มันเป็นได้คิดตั้งวินาทีหนึ่งหรือคิดเป็นนาทีทำยังไงให้มันเรียงกันเป็นหลายๆนาทีเรียงยังไงให้มันเป็นเมตตาเนี่ยเป็นไปกับเมตตาอย่างเดียวเป็นชั่วโมงแล้วก็เจริญได้เป็นชั่วโมงทํายังไงเพิ่มคุณภาพของเมตตาจากคณิกะเป็นอุปจาระเดีย๋ยนะเพิ่มจากอุปจาระให้เป็นอัปปนาแล้วตัดวิตกออกไป ตัดวิตกออกไปเรียกว่าทุติยะฌานตัดวิจาร์ออกไปเรียกว่าทุติยะฌานทุติยะฌานนี่ตัดวิจาร์ตัดติยะฌานตัดวิจาร์นช่ไหมปฐมฌานมีทั้งวิตกวิจาร์ธูติยะฌานเอาวิตกออกตัดติยะฌานเอาวิจาร์ออกก็เจตุทะฌานละทั้งวิตกและวิจาร์นั่นเจริญอัปปนาเจริญเมตตาให้เป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพอเป็นอัปปนาสมาธิก็มีทั้งวิตกวิจาร์แล้วก็ตัดวิตกออกไป แล้วก็ตัดวิจาร์ออกไปให้ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์น่ยนะในยักอื่นๆก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะเพราะว่าสมาธิมีวิตกเมตตากรุณามุทิตาก็เป็นเป็นอย่างนี้นะหรือกสินหรืออานาปานสติเป็นต้นก็ให้เป็นภายในลักษณะเดียวกันให้เป็นสมาธิ น, นะโดยคณิกะอนัคณิกะเป็นอุปจาระเป็นอปปนาอัปปนาปฐมฌานสมบูรณ์ทั้งวิตกวิจาร น, นะแล้วก็ทุติยฌานเอาวิจาร์ออกก ต, ติยฌานเอาวิ อวิทุติยะฌานเอาวิตกออกปัติยะฌานเอาวิจารณ์ออกไปก็เป็นสมาธิในลักษณะนี้ทั้นสมาธิทําเราเนี่ยพระองค์สอนให้เจริญเป็นธรรมที่ควรเจริญสมาธิสามเป็นธรรมที่ควรเจริญนะสมาธิตั้งอุปคณิกะสมาธิกว่าเจริญบ้างเถอะให้มันเป็นไปกับอะไรนะจะไปเบือ่อคณิกะมันจะเล็กน้อยกว่เจริญบ้างเถอะเนี่ยนะเมตตาถึงจะอะไรนะพระเจ้าบอกว่าชั่วโบราณได้ว่า ช้างกับเด็กหูงูแล็บลิ้นว่ากันไงแผ ล, บ, แลบก็ยังดีอ่ะให้มันมีบ้างเถอะมันไม่ใช่ว่าแห้งแลง้งแล้วก็อะไรนะให้มันเกิดโดยอัธยาศัยไม่เกิดหรอกเขาบอกคนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญเมตตาคนประเภทไหนพวกสอนคนขนี้โกรธคนขนีนขน้โกรธแล้วไปร้องเรียกหาเมตตาจากคนขี้โกรธได้ไหมยากอันนี้แหละที่มาต้องเจริญที่จะต้องเจริญเนี่ยนะทํายังไงจะได้เป็นได้บ่อยเป็นได้มากแล้วก็เป็นได้อย่าง ต่อเนื่องเนี่ยนะตอนแรกก็จากไม่มีให้มันมีขึ้นก่อนที่มีขึ้นแล้วพัฒนาคุณภาพให้มันยาวขึ้นจากพัฒนาจะให้มันยาวขึ้นอะไรที่มันยาวอยู่ทำยังไงเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเพิ่มจากปริตตะเป็นมหคตะเนี่ยนะจากมหคตะเป็นอุปนิสัยแก่อัปประมาณะก็ต้องเพิ่มพูนคุณภาพอยู่อย่างนี้บ่อยๆและเรื่อยๆ เ, เนี่ยนะ แต่ก็อย่าลืมนะเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปภากิยธรรมจะรู้ว่าพวกจเจริญสมาธิบางประเภทหาหนะภากยะบางพวกเป็นวิเศษอัตติภากยะบางพวกเป็นวิเศษสภากยะบางพวกก็เป็นนิเพทะพากยะเ้าก็มาแบ่งประเภทอีกครั้งหนึ่งนะไอตอนแรกทําให้มันมีขึ้นอ่ะนะมีแล้วให้มันยาวเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเพิ่มความชํานาญเรียกว่าวสี นะเพิ่มเพิ่มชำนาญเป็นต้นเสร็จแล้วก็มาแบ่งว่าคุณภาพของสมาธิเราเนี่ยเป็นประเภทไหนเป็นต้นทั้งในรายละเอียดของสมาธิเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นสิกขาหนึ่งศิกขาเรียกว่าอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะเป็นอธิจิตตสิกขาเป็นจิตอย่างยิ่งก็คือเพิ่มคุณภาพจิตไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพิ่มคุณภาพอย่างเช่นอ่าอย่างปกติโดยปกติวิสัยโดยมากก็อกุศลสิบสอง เพิ่มคุณภาพแปลคุณภาพกําจัดเหล่านั้นให้เป็นมหากุศลเพิ่มขึ้นแล้วมหากุศลอาจจะแรกแรกดวงที่เจ็ดวงที่แปดหนไหรือไม่ก็ดวงที่หดวงที่หกหนดวงที่ห้าดวงที่หกหรือไม่ก็เครียกว่าประเภทอะไรนะอะสะสัสสังขาริชวนชวนกว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถูกชวน สมมติว่าถูกเกลี้ยกล่อมมากเหลือเกินกว่าจะทําอะไรได้สักอย่างหนึ่ง น, น, นะอย่างฟังธรรมนี่ต้องเกลี้ยกล่อมขอร้องแล้วขอร้องอีกกว่าจะไปได้เนี่ยนะพวนี้สสังขาริกแรกๆก็โอ้ยสังขาริกด้วยยานวิปยุทธไม่รู้เรื่องเลยทนทนทนทนพวกนี้เป็นยาณวิปยุทธตอนแรกสสังขาริกถูกชวนมากเลยใช่ไหมเสร็จแล้วก็ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นญาณวิปยุทธทีนี้เพิ่มคุณภาพยังไงให้เป็นอสังขาริกได้ แล้วทำยังไงจะเพิ่มเป็นยาณสัมปยุตได้ก็ค่อยๆพัฒนาคุณภาพนะค่อยๆอะไรจากประเภทอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาที่ไม่มีปัญญาประกอบถูกชวนมากมาไม่ต้องมีใครชวนและไอท้ที่ไม่มีใครชวนและมีปัญญาประกอบมีปัญญาประกอบแบบไม่มีใครชวนอีกไงค่อยๆพัฒนาขึ้นจนเป็นคัดเหลือแต่มหากุศลดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองนะก็คื อ, คอแต่เน้นพิเศษก็คือดวงที่หนึ่ง เนี่ยนะมหากุศล ญ, ญาณสัมปยุตไม่มีใครชักชวนเสร็จแล้วก็ชักชวนตัวเองล้ค่ะเนี่จะไม่มีใครชักชวนอะหันมาชวนตัวเองให้ให้ปัญญาร้องเรียกหาปัญญาให้ปัญญาเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพสูงสูงยิ่งๆ่งขึ้นไปเมื่อปัญญาเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพจากคณิกะอย่างนี้ให้เป็นอุปจาระสมาธิจากอุปจาระอย่างเงี้ยเพิ่มยังไงให้มันเป็น อ ป, ปนาให้มันมั่นคงยิ่งๆขึ้นไปเมื่อเป็นอั ป, ปนาอย่างไรเนี่ยนะยังไงจึงจะเป็นอะไรนะเพิ่มปริมาณกําจัดวิตกออกไปยังไงกําจัดวิจารออกไปอย่างไรเพราะสมาธิระดับปฐมฌานละนิวรระดับทุติยฌานละ ล, ะ ล, ะละวิตกตกตัยฌานละวิจารจะตุทะฌานละปีติเนี่ยนะมันค่อยๆกําจัดออกไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยจนคือระวัตกําจัดที่เรียกว่าในที่สุดทําลายไม่มีเหลือเลยออกจากวัตฏะได้หมดเลยเนี่ยนะออกจากสังขตะได้ทั้งหมด ก็ไปลองฝึกเจริญดูกันแล้วกันนะเนี่อะถ้าไม่เจริญอ่ะถ้าไม่เจริญก็ไม่เป็นไรก็เห็นว่าอะไรเนี่ยก็อยู่มาตั้งนานแล้วใช่ไหมอะถ้าเราไม่เจริญอะเราก็อยู่ของเรามาตั้งนานแล้วไม่ได้ศึกษาเราก็ยังอยู่ได้เลยใช่ไหมในวัฏฏะเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าน่าสงสารด้วยเราน่าสงสารนะนะก็ดูเอานะใครน่าสงสารก็ว่ากันไป อีกในหนึ่งถ้าบอกว่าสมาธิสามคือสุญญตะสมาธิอนิมิตะสมาธิและอปนิหิตะสมาธิเนี่ยนะสุญญาตาสมาธิคือสมาธิที่ว่างจากโรคะราคะโทสะและโมหะอนิมิตะสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตอ อปปนิหิตะสมาธิเนี่ยนะคือสมาธิที่ไม่มีราคะเป็นที่ตั้งไม่มีโทโสะเป็นที่ตั้งไม่มีโมหะเป็นที่ตั้งสุญญตาสมาธิก็คืออนัตตาสมาธินั่นนะสมาธิที่เกิดร่วมกับอนัตตานุปัสสนาอานิมิตะสมาธิคือสมาธิที่เกิดร่วมกับอนิจจานุปัสสนาอปปนิหิตะสมาธิก็คือสมาธิที่เกิดร่วมกับทุกขานุปัสสนาสมาธิที่เกิดร่วมกับสุญญานุปัสสนาเนี่ยนะ ท่จริงก็ต้องแบบสมาธิที่เกิดร่วมกับอนิมิตานุปัสนา no คือสมาธิที่ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วสมาธินั้นหมายความว่าสังขารตัวนั้นเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะอันนี้คือเมื่อเห็นโดยความเป็นอนิจจงเนี่ยไอสิ่งที่เป็นอนิจจงไม่เป็นเครื่องหมายแห่งราคะโทสะและโมหะเห็นความไม่เที่ยงของ เช่นของรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงไอสิ่งที่ไม่เที่ยงอันนั้นแหละไม่เป็นเครื่องหมายคือนิมิตแห่งราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะถ้าอปปนิหิตสมาธิคือเห็นว่าไอสังขารห้ารูปเวทนาสัญญ า, ส, ญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเป็นทุกข์จนไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะ ก็เห็นสิ่งท well do ี่ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตก็สิ่งนั้นอ่ะเลิกว่างจากราคะโทสะและโมหะหรือคลายจากราคะโทสะและโมหะออกไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นสุญญตาสมาธิก็คือสมาธิที่เกิดร่วมกับอนัตตานุปัสสนาอันิมิตาสมาธิก็สมาธิที่เกิดร่วมกับอนิจจานุปัสสนาอัปปนิหิตาสมาธิก็เป็นสมาธิที่เป็นเกิดร่วมกับ ทุกขานุปัสสนาแต่ถ้าบางในเนี่ยสุนยตาสมาธิก็คือการเข้าพระสมาบัติถ้าระดับอันนี้นี่ที่พูดเมื่อกี้ระดับโลกียะถ้าระดับโลกุตระสุนยตาสมาธิก็คือสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เข้าพระสมาบัติโสดาปฏิผลสมาบัติสกธ า, าคามิพนสมาบัติอนาคามีผลสมาบัติแต่ถ้าที่บายอย่างนั้นปั๊บจะเป็นสัิกาตประธรรม ไม่ใช่ภาเวตาปธรรมที่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นภาเวตาปธรรมเมื่อเป็นภาเวตาปธรรมทำที่ควรเจริญตามปริยาย้สุดรัสุดเน้นปุปภพปฏิปทาคือเบื้องต้นนะเบื้องต้นอันนี้ก็ต้องเป็นวิปัสนาเป็นวิปัสมาวิปัสนาสมาธิวิปัสนาสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นโดยการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงสมาธิที่ตั้งมั่นโดยพิจารณาโดยความเป็นทุกข์อันนั้นพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาฉะนั้นถ้าเห็นโดยความเป็นทุกข์ ก็จะว่างจากอขอขอภัยถ้าเห็นโดยความเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคาถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยมก็จะไม่เป็นเครื่องหมายแห่งราคาถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็จะเป็นที่ว่างจากราคาโทสะและโมหะเนี่ยนะส่วนสติปัฏฐานเอาไว้อาทิตย์หน้า ทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปัฏฐานก็อาทิตย์หน้ากันละกันสำหรับอาทิตย์นี้ปฏิสัมพิธรรมมากก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน